พระพุทธเจ้าท่านเป็นนักรบท่านสอนในพุทธบริษัทเป็นนักรบเหมือนกันวิธีการท่านไปเที่ยวกรรมาฐานที่ต่างๆล้วนแต่เป็นวิธีการของนักรบทั้งนั้นไปตามป่าตามเขาลำนอใครคนอยากขายแกนไม่สนใจมีแต่ทั้งหน้าท่างตาเข้าสู่แนรลบเพื่อฆ่ากิเลสซึ่งเป็นตัวก่อก่วนตัวทำลายจิตใจของสัตว์โลก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 ของสดของแห้งที่เรานํามารับทานนี่เป็นประโยชน์ใหญ่ถ้ากายใจนี่มันร้อนต่างคนต่างมีสาดกระจายมาโลกโลกมันก็ร้อนนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เป็นนักรบหลุมแรล่งมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าทรงดาเนินมาแล้วได้ผลอย่างไรก็นําวิธีการดาเนินที่ถูกต้องและได้ผลเป็นที่พอก็ไทยมาแล้วนั้น มาสั่งสอนสัตวโลกโดยลำหนักลำหนักผู้ใดเชื่อฟังตามพระพุทธเจ้าก็รับชัยชนะผู้ไม่เชื่อฟังก็จมไปเนี่ยหรือท้อถอดแผลไปไม่รอดจอดจมเี่ยผู้ใดเชื่อฟังตามพระพุทธองค์ก็ผ่านพ้นไปได้โดยลำหนักลำหนักพระพุทธเจ้ามาตรัสลู่แต่ละพระองค์รู้สึกว่าได ทำประโยชน์แก่โลกมากมายกายกองจนขนานับไม่ได้เลยที่สั่งสอนจะโลกให้พ้นไปได้โดยลำดับลำดับในปัจจุบันที่ท่านดังทงประชนอยู่ก็มีจานวนมากมายนอกจากนั้นเขาอวาดจะก็ยังเป็นแนวทางที่ถูกต้องดีงามให้บรรดาผู้นับถือเคารพท่านในดำเนินปฏิบัติตาม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 ศาสนาธรรมไปด้วยหมดทั้งฝ่ายมากฝ่ายผลยังเหลือตั้งแต่ชื่อคมพีใบรานเท่านั้นไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเป็นลักษณะอย่างนั้นจึงว่าเป็นความผิดถ้าคิดอย่างนั้นก่อนที่พระองค์จะปฏิพัน์ก็จะประธานเทาวาดไว้กับพระอนนท์ตอนที่พระนนท์ประทุนถามท่าน ว่เมื่อพระองค์ปรนปินิพพานนานปรินิพพานไปแล้วนานเท่าไรมรรคผลนิพพานจะสิ้นเขตสิ้นสมัยหมดเขตหมดสมัยพูดต า, ามภาษาของเราก็ว่าพระนรินทานรู้สึกว่าท่านท่านรับสั่งเด็กเหมือนกันเป็นลักษณะอย่างนี้พระนนถามถามาทําไมเพราะว่าทั้งหมดที่เราท้าพดมอบไว้แล้วเพื่ อ, อามารรคผลนิพพานทั้ง น, นั้นเนี่ยเราไม่ได้เอามารรคผลนิพพานของใคร ไปทั้งสิ้นนอกจากตัวของเราเองเท่านั้นที่เราทำละเรียบร้อยแล้วอันเป็นสมบัติของเราโดยเฉพาะมีเท่านั้นนอกนั้นไม่มีอะไรบกพร่องของอผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ปฏิบัติทํามทุกคนจะทําทยังมีอยู่พระอรหันต์ละทิ้นจากโลกอน์อนนย่าสงสัยนะงทำนี้นานนั่นแลจะเป็นครูเป็นอาจารย์แทนเราจะถากดเมื่อเราปณิธานไปแล้วนั่น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 ที่ประทานไว้แล้วความบกพร่องก็คือผู้ปฏิบัติตามนั้นเท่านเป็นผู้บกพร่องและจะสมบูรณ์ก็คือผู้ปฏิบัติตามอะไรที่บกพร่องเพราะการประนิพานของพระพุทธเจ้าไม่ปรากฏนอกจากที่พระองค์ประทานด้วยพระองค์เองเมื่อประนิพันไปแล้วก็หมดพุทธภาระในส่วนนั้นหมดไปผู้ที่จะควรได้รับประโยชน์ ในระยะเาที่พระองค์ทรงประชนอยู่ก็เป็น้ว่าผ่านไปอันนี้เห็นด้วยแต่เพราะว่าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วเพื่อมรรคผลนิพพานโดยตรงนั้นไม่มีอะไรสงสัยในเบื้องต้นก็นได้พูดถึงเรื่องนักรบพระพุทธเจ้าเป็นนักรบท่านเอกท่านเยีย่ยมไม่มีใครบอกทางไม่มีคลมุบายวิธีที่จะลบ กับกิเลสอาสวะทั้งหมดไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนเรียกว่าสยียมผูตรงมันเป็นที่แรกเขาเป็นไปในความดุ่นดาวเพราะไม่รู้ไม่เห็นไม่เคยปฏิบัติทำก็ไม่เคยรู้ก็เห็นก็ดุนดาวไปเป็นธรรมดาสุดท้ายก็ถูกต้องจนราทั้งในชำนาญกิเลสออกหมดในพระไทยแล้วก็นำอุบายวิธีที่ถูกต้องนั้นมาสั่งสอนโลกโดยลาดับลำดับ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 ความเฉลียวฉลาดนั้นแหละเป็นเครื่องที่จะทำหนะากิเลสได้เพราะกิเลสมันก็เฉลียวฉลาดไปแบบหนึ่งของมันไปแบบถูกมัดสารโลกธรรมะที่เรียกว่าปัญญานี่เป็นความเฉลียวฉลาดที่จะถอดถอนแก้สิ่งที่ผูกมัดนั้นออกจากจิตใจของสารโลกสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปูสองอย่างนี้เป็นเรื่องของปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอะคิวโอสัมมาปายมุสัมมาสติสมาสมาธิ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 จะถึงจุดที่หมายไม่น้นนานไม่มีทางปิดทางแน็คือทางมัชชิมานี้เท่านั้นนอกนั้นเอาแน่ไม่ไดนี่เป็นทางเดินที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านก็ดําเนินอย่างนี้ทรงรู้ทรงเห็นอย่างนี้ประทานไว้แก่สัตว์โลกก็กระธานแบบเดียวกันผู้ปฏิบัติก็ปฏิบัติตามนี้ทำคือมัชชิมานี เตงเป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการแก้กิเลสทุกประเภทไม่มีกิเลสตัวใดที่จะนอนเหนือประจกักษ์มัจฉิมาปฏิปทานเราจึงเป็นที่นอนแน่ใจกับธรรมนี้นี่ตั้งแต่จะพยายามส่งเสริมให้มีกําลังมากขึ้นคําว่าสมมาสติคือปัญญาพิจารณาให้รอบตัวกิเลสมันอยู่รอบใจปัญญาต้องพิจารณาให้รอบใจรอบตัวกิเลส อ, อยู่รอบตัวปัญญาไปรอบตัวกิเลส อ, ออกไป ตีแพรอำ น, นาจไกลขนาดไหนปัญญาตามต้อนตามตีมาด้วยอุบายแยบคายของตนแต่มันสลัดปัดทิ้งเกล็ประเพชนั้นๆออกได้โดยลำดับลำดับไม่ให้หมอะไรมีเหลือนี่ปัญญาเท่านั้นสติตามตามผลของงานตามงานขณะกาหนดก็สติให้มีไปตามสติกับปัญญานี้เป็นธรรมสำคัญมากในการดำเนินมากแล้วอะไร ทีเขาเรียกว่ากิเลสกิเลสทุกวันนี้คืออะไรเครื่องมือของกิเลสคืออะไรก็เคยอธิบายมาแล้วเราควรจะทราบเครื่องมือของกิเลสก็คือพวกสังขานพวกนี่ความคิดความตุ้มเหล่านี้ เ, นเป็นต้นอันนี้แหละเป็นเครืงเป็นเครื่องมือของกิเลสเราอันนี้เราไปใช้ไปตุงมไปคิดไปแต่งไปสําคัญมั่นหมายถึงนั้นเป็นนั่นสิ่งนี้เป็นนี้สิ่นั้นว่าดีสิ่งนี้ว่าชั่ว มันว่าไปนั่นกิเลศที่เราก็คลให้ตามหลงตามหลงตามหมือหลงตามพิเรศแล้วผลที่จะปรากฏขึ้นมาคืออะไรก็คือความโศกเศร้าความทุกข์ความทรมานทางจิตใจนี่เพราะฉะนั้นปัญญาจึงต้องตามแก้อันไหนที่กิเรศมันไปเสศสันต์ขึ้นมาปัญญาไปทําลายความเสศสันต์นั้นให้ลงสู่หลักความจริงความจริงเพราะความจริงคือธรรมความแตกความปลอมนี้คือเรื่องของกิเลศ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 หลงคล้อยตามไปล่มจมตามมันมันก็มีค่าไปทั้งนั้นแหละอะไรๆก็ตามว่ามีค่าไปหมดเราที่ไม่ได้ใช้หัวคิดปัญญาให้ถึงให้เห็นตามความจริงก็เชื่อมันไปก็ล่มจมตามมันไปเรื่อยๆนีแต่ความทุกข์ความลำบากภาในใ จ, ใจิตใจนี่เพราะอํานาจแห่งความเชื่อในกิเลสคอยตามกิเลสนี้ปัญญาจึงต้องตามพิจนาแยกแยะอา้าวยกตัวอย่างเช่นกับคนอะไรเป็นคน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 ผู้ที่ยึดตามพาใหายย้กิเลสพาให้ ย, ยึดก็จมไปจมไปจิตจของเรามันจมลงไปเรื่อยๆเพราะกิเลสเหยียบย่ําทําลายนั่นเมื่อปัญญาได้ฝุดค้นลงไปให้ถึงรากฐานความจิงแล้วจิตมันก็ดีดขึ้นมาดีดขึ้นมาจากความล่มจมที่กิเลสเหยียบย่ําทําลายดีดขึ้นมาดีดขึ้นมา น, นั่นนี่เดียวเรียนหนักความจริงทำคือความจริงสอนตามความจริงผู้พิจารณาก็พิารณาเห็นตามความจริง เป็นอยงท่านอยู่เที่ยวเขาในป่าในเขามีความทุกข์ความลําบากความทรมารขนาดไหนท่านไม่สนใจท่านจะพาาิจารณาในสถานที่เหมาะสมเช่นนั้นเพว่อจะแก้ไขกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของท่านโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นอยู่ไหนก็นรุ่นเริงงานการอะไรถ้าเราทําลงไปหากว่ามีแต่ความบังคับบัญชาจิตเฉยโดยไม่มีรถไี่ธาตุโดยไม่มีความดึงดูด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 จิ ต, hey. ต well, รู้ใจซึ่งกันและกันแล้วมันก็ทําก sure ัาน EN ไม่ลงเนี่ยต่างคนก็ต่างเย็นเราไม่ไปทำลายจิตใจของใครสมบัติของใครเราก็เย็นไม่ว่าศีลประเภทใดมีความเย็นนี่มันก็พอใจรักษาศีลถึงจะรักษายากมันก็พอใจเพราะเหตุผลบอกอยู่นี่อย่างชัดเจนแล้วเราก็ภูมิใจของเราเราไม่ก่อความเดือดร้อนน่าเกลผู้ใดไม่เบียดเบียนใครไม่ฆ่าไม่ทําลายใครไม่ชกไม่ลักไม่ปนไม่สะดมสมของใครสมบัติของใครไม่เอาไม่ใช่ของเราแล้วเราไม่เอานี่เราอยู่ด้วยความภูมิใจ อย่างนี้เพราะศีลของเรานี่เราก็พอใจรับนะการภาวนาเอ้าวเราพูดถึงเรื่องการภาวนาการภาวนาถึงจะทุกจะลำบากก็เราทํางานเนี่ยตัวข่าตัวมันเสียดันทรลายอยู่ภายในจิตใจของเราเหมือนกับเสือร้ายซึ่งมีอยู่ภายในใจถ้าเนี่ยว่าพิเลศมันหลายประเภทความโลภก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งความโกลัก็เป็นเสือร้ายตัวเสือร้ายตัวหนึ่งความหลงก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งแต่แขนงไปเป็นลูกเป็นหลานของเสือร้ายทั้งนั้น ส่วนแน่ตั้งแต่กัดแต่กินแต่ฉีกมนุษย์และสัตว์กินเท่งนั้นหรอกเสือร้ายเหล่านี้ไม่เอาอะไรเป็นอาหารนอกจากหัวใจของสัตว์โลกนี้เป็นอาหารฉีกอยู่งั้นกัดอยู่งั้นอไม่ตายก็ให้เสียสุขภาพภายในจใจถ้ามากกว่านั้นก็เสียสุขภาพทางร่างกายอยู่ด้วยคนที่เสียใจมากมันเป็นบ้าเป็นบอไปได้ไมันเสียสุขภาพทางร่างกายได้ยังไงนี่เสือร้ายมันดีอภายในใจการแก้ไขการทําลายเสือร้ายเหล่านี้มันเป็นความถูกต้องดีงาม น, น่แล้วขี้นายดสแล้วทําไมจะไม่พอใจคนเราเอาทุกก็พอใจเมื่อเราทราบแล้วว่าสิ่งนี้เป็นอัศรพิษเป็นสือร้ายตัวหนึ่งตัวหนึ่งแล้วเราจะเลี้ย ง, งมันไว้ทําไมเลี้ยงมันไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์อะไรนอกจากคอยทําลายความเบียดเบียนคอยยุ่ยแย่ก่อความผิดใจเราให้ชอบช้ําขุนยตลอดเวลานอกจากนั้นก็เป็นทุกข์เดือดร้อนนอนไม่หลับกินไม่ได้หนึ่งว้วนนี่ตั้งแต่สือร้ายนเข้าไปทําลายภายในจิตใจการทําาวนาเพื่อจะถอดถอนเพื่อจะแก้ไขหรือเพื่อจะ ทำลายเสือร้ายนี่ปราบปรามเสือร้ายนี่ให้มันตายลงไปนับแต่พ่อแต่แม่แต่ลูกแต่ห ล, ลานมันไปเพื่อบ้านเมืองขึ้นมาทั้งจิตใจเราจะได้รับความโล่งใจเป็นสุูทําไมเราจะไม่พอใจทํานี่แหละสากยาบุตรพุทธกินนรธพุทธกินนโรธคือบุริษัทของพระเจ้าที่มีความพอใจต่ออัตตธรรมต่อการนเป็นทานเป็นขินเป็นภาวนาก็เพราะเหตุผลอย่างนี้เองท่านถึงทำเอาทุกก็ทุกตายก็ตายเมื่อเข้าในสู่สงครามแล้วไม่ตายก็ให้ชนะ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 กิเลสก็ตายไปหมดอ้าเข้าทางโยมก็ไปฆ่ายุ่งคว น, นันด์น่าทางโยมเข้าป่าเขาฆ่ากิเลสอย่างนั้นไม่ต้องไปเผาศพมันหาภูษลาธรรมามายุ่งแหละฆ่ากิเลสมันฆ่าง่ายจะตายไปแต่ต้องไปหานิมนต์พรมาภุษราทำมาภูษราทำมายุ่งไปยุ่งมาลำบา ก, กปับบาเนี่ยวฆ่าตัวพิจตภาอยู่ภายใจิตใจของตนเอาให้มีความขแข็งแกร่งกิเลสมันสู้ความขแข็งแกร่งไม่ได้สู้สติสู้ปัญญาไม่ได้เพราะเป็นสัตว์ราวุธที่ทันสมัยที่สุด ตั้งแต่สมัยใดมาไม่ว่าไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดล้วนแล้วตั้งแต่ใช้สติใช้ปัญญานี้ทั้งนั้นเป็นเครื่องปราบตามกิเรศอาศัยความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามเป็นเครื่องหนุนหลังแล้วกิเรศก็ตายไปด้วยเหตุด้วยอุบายอันนี้ด้วยวิธีการอันนี้เราจะวิธีการใดมาใช้ทำไมใช้โดยวิธีการนี้ยากก็เป็นวิธีการที่ชนะพิเรสเป็นวิธีการที่จะเอาชนะกับกิเรสเป็นวิธีการที่จะปราบกิเรศให้อยู่ในเงื้อมมือของเรายากก็เอาพอปราบง่ายก็ปราบไม่ถอย จนกระทั่งสือร้าอยู่ภายในจิตใจมันจิพหายตายไปหมดแล้วเราอยู่สบายนั่นแหละชัยชนะมีแล้วภายในจิตใจเพราะที่เด็กตายไปหมดไม่มีอะไรมายุ่งมากวนไม่มีอะไรมากัดมาฉีดมายุ่งแย่ทําลายแต่สบายอยู่ไหนก็สบายสบาย ส, ายสุขั้งมาตะสุขั้งมาตะ๋อ่างพระมหากรบินท่านออกอุทานแต่ก่อนท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินยุ่งยากโอ้จนไม่มีเวลาที่จะบันทมกลางคืนก็ดีเพราะเสด็จออกมา ทรงพนวดได้บรรลุธรรมถึงขั้นประรหารแล้วอยู่ที่ไหนกับสุขขั้งวาตาสุขขังวาตาสุขนอสุขน้ อ, นอก็สุขละสิไม่มีอะไรมาบังคับไม่มีอะไรมากดขี่ไม่มีอะไรมากัดมาขีบมาอยู่ใหญ่ก่อควนภาร จ, จิตใจโล่งไปด้วยสิด้วยอาดด้วยธรรมโล่งไปด้วยความบริสุทธิ์ว่างเปล่าไปหมดโลกธาตนี้ไม่มีอะไรเข้ามายุ่งกวนจิตใจเลยว่างไปหมดนี่แหละว่างจากกิเลสตัญหาอาวะเหลือแต่ใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆในกายเป็นใจที่ว่างไปหมด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 พระนิพนธ์านไปแล้วก็ตามอันใดที่ทรงชี้ไปแล้วโดยถูกต้องสิ่งนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงไปงจากความถูกต้องนั้นเลยทุกสิ่งทุกอย่างจริงตามจัด ต, ตามส่วนที่พระองค์เจ้าตรัสไปแล้วว่าสวาคา ต, ตาวัวพระตาัตมตรัสไม่ชอบแล้วนิยานิกระทำก็เป็นธรรมที่จะนําบุคคลผู้ปฏิบัติให้พ้นจากทุกเดรัมดับเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าทรงสมพระชนูไม่มีอะไรผิดแปลกแต่ต่างกันเลยนี่จึงเป็นขี่ภูมิใจที่เราได้เกิดในทรามกลางแห่งสาสนาธรรมที่ถูกต้องนิงามพระพเจ้าเหมาะสมที่สุด มนุษย์เป็นที่อํานวยที่สุดเป็นพาชนะเหมาะสมที่สุดกับาศาสนธรรมท่านที่ได้ประกาศาศาสนาโยงไว้ที่มนุษย์เดาแล้วมนุษย์ได้แก่ใครถ้าไม่ได้แก่เราใจที่ว่าเหมาะสมกับธรรมได้แก่ใจใครถ้าไม่ได้แก่ใจเราผู้ปฏิบัติธรรมอยู่เวลานี้มีเท่านี้เป็นที่เหมาะสมที่สุดยังขอให้สู้เอาหัวขาดเถอะชื่อว่าลูกตรทราทาคตแล้วพระพุทธเจ้าจกคุศลาเองถ้าเราได้เป็นอย่างนั้นแล้ว เอาละที่จะย่อเป็ปปปนปอดตรงกันขึ้นบรรยากาศเลยไม่ลงเอาละอะไรู่บรรยากาศไม่มีแอ